ควรจะเริ่มต้นเผยแพร่พระพุทธศาสนากันอย่างไรอันที่จริงข้าพเจ้าก็มีความเห็นด้วยกับผู้ที่มีความเห็นว่าเราจะหวังให้คนส่วนใหญ่ประพฤติดีประพฤติชอบตามหลักศาสนานเหมือนกันทั้งหมดนั้นย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็เชื่อว่าคนที่มีวิบากของกุศลมาดี ซึ่งอยู่ในฐานะที่จะศึกษาและปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ง่ายนั้นย่อมมีในทุกอาชีพและทุกระดับถึงแม้ว่าคนเหล่านี้จะมีเป็นส่วนน้อยที่ป่าปนอยู่กับคนส่วนใหญ่ก็ตามแต่คนเหล่านี้ก็สามารถที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบ้านเมืองได้อย่างดียิ่งถ้าหากว่าคนเหล่านี้จะได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาและปฏิบัติในทางศาสนาจนกระทั่งได้ผลทั้งสามอย่างเกิดขึ้นแก่ตัวเอง เพราะคนส่วนน้อยที่มาจากอาชีพต่างๆและมาจากระดับชนชั้นต่างๆเหล่านี้ถ้าหากเข้าถึงพุทธศาสนาแล้วคนเหล่านี้ก็จะมีความสามัคคีรวมกาลังกันได้อย่างดียิ่งและต่างก็จะพยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างดียิ่งการเสียสละที่เกิดขึ้นจากคนกลุ่มนี้จะมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างสูงมากเพราะคนที่มีความสามารถในหน้าที่การงานเหมือนกับบุคคลอื่นๆนั้นในเมื่อเขามีจิตใจสูง เพราะได้รับประโยชน์สอย่างจากทางศาสนานั้นแล้วจะทำให้เขารู้จักใช้ความสามารถที่มีอยู่นั้นเป็นไปนในทางที่ถูกต้องและเพราะเหตุที่เขาเข้าใจเรื่องชีวิตในทางโลกได้ดีเข้าใจจิตใจของคนที่อยู่ในวงงานหรืออยู่ในอาชีพเดียวกันกับเขาได้ดีบุคคลที่มีความรู้ดีทั้งในทางโลกและในทางธรรมเช่นนี้ย่อมสามารถจะแนะนวทางให้บุคคลที่อยู่ในอาชีพเดียวกันกับตัวเองได้ดี อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าเริ่มเผยพระศาสนาจากบุคคลเพียงห้าคนเท่านั้นมาจากบุคคลทั้งห้าซึ่งได้เข้าถึงตัวศาสนาแล้วนี่เองแต่ละคนก็ได้ชักจูงคนอื่นเข้ามาสู่ศาสนายังได้ผลจริงๆและโดยวิธีการชักจูงต่อตกันเช่นนั้นเพียงช่วระยะไม่ถึงปีก็ปรากฏว่ามีประชาชนเข้ามาสู่ศาสนามากมายซึ่งมีทั้งผู้ที่เข้ามาบวชเป็นพระและผู้ที่ปฏิญาณตน เป็นอุบาสกอุบาสิกาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสำหรับคนที่มีวิบากมาดีนั้นจะเข้าถึงศาสนาได้โดยไม่ยากขอให้พยายามหาทางชักจูงให้คนเหล่านี้เข้ามาและพยายามให้ความสะดวกในการศึกษาและการปฏิบัติซึ่งควรจะต้องมีการลงทุนกันที่มากในครั้งแรกแม้จะมีคนเป็นจำนวนน้อยก็ไม่ต้องเป็นห่วง ต่อไปก็จะมากขึ้นเองอันหนึ่งเนื่องจากมีอุปสรรคอยู่อันหนึ่งซึ่งนับว่าเป็นอุปสรรคที่ใหญ่มากคอยกีดขวางไม่ให้เด็กๆหรือคนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวหันมาสนใจทางศาสนากล่าวคือการเป็นห่วงในเรื่องอาชีพเพราะเขามองเห็นตัวอย่างได้ชัดว่าคนที่เรียนรู้แต่ในทางศาสนาส่วนในทางโลกมีความรู้น้อยก็มักจะมีฐานะไม่ดี ส่วนคนที่สาเร็จการศึกษาในทางโลกส่วนมากตั้งตัวเร็วเร็วกว่ามีฐานะทางการเงินดีกว่ามีเกียรติดีกว่ามีความเป็นอยู่สะดวกสบายดีกว่าเพราะเหตุนี้ก็จึงไม่ยอมเสียเวลาที่จะมาศึกษาในทางศาสนาอุปสรรคอันนี้ต้องหาวิธีแก้ให้ได้และวิธีแก้ก็คือจะต้องพยายามให้การศึกษาในทางศาสนาคู่ขนานกันไปกับการศึกษาวิชาอาชีพต่าง ซึ่งถ้าคนสอนรู้จักประยุกต์แล้วก็จะทําให้บุคคลทุกอาชีพหรือนักศึกษาทุกประเภทมีความสนใจในอันที่จะเรียนศาสนาอย่างจริงจังพร้อมกับจะมีความสนใจในอันที่จะศึกษาให้รู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยการที่จะประยุกต์วิชาศาสนาให้เข้ากันได้กับวิชาอาชีพทุกอย่างนั้นจะต้องอาศัยคนที่มาจากอาชีพต่างๆเพราะคนประเภทนี้ ในเมื่อรู้แจ้งในศาสนาแล้วเขาจะรู้ดีว่าการจะสอนคนที่มีอาชีพเดียวกันกับตัวเองนั้นควรจะสอนอย่างไรเขาจึงจะสนใจและยินดีปฏิบัติตามและอุปสรรคอีกอันหนึ่งก็คือการศึกษาในทางโลกส่วนมากไม่ต้องคอยบังคับตัวเองหรือจํากัดตัวเองเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติเพราะผู้ที่เรียนในทางโลกนั้น ถ้าอยากจะดื่มเหล้าอยากจะโกหกหลอกลวงใครสนุกสนานยังไรก็ทำได้ตามความพอใจไม่มีใครคอยว่าหรือคอยตำหนิเพราะถือเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนที่อยู่ในโลกที่จะต้องประพฤติกันเช่นนั้นแต่ถ้าหากคนไหนหันมาสนใจในทางศาสนาแล้วซึ่งถึงแม้จะไม่บวชก็รู้สึกว่าจะต้องจำกัดความประพฤติของตัวเองจะทาอะไรตามความพอใจเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ และในเมื่ออยากจะให้ได้ผลในทางศาสนาจริงๆก็ต้องสละความสุขในทางโลกไปเป็นนักบวชเพียงแค่นี้คนทั้งหลายก็รู้สึกว่าเขาจะไปในทางศาสนาไม่ได้เพราะเขาไม่สามารถจะสละโลกได้นี่ก็เป็นอุปสรรคที่คอยกีดขวางอันหนึ่งที่ทำให้คนทั้งหลายไม่อยากจะสนใจกับทางศาสนาวิธีแก้อุปสรรคอันนี้ก็คือ ในเมื่อผู้ที่รับการสอนของเรายังไม่สมัครใจที่จะสละความสนุกหรือสละสิ่งยั่วเย้าต่างๆก็อย่าพยายามไปบังคับเขาควรจะให้เขาได้ศึกษาและปฏิบัติอย่างเสรีดังที่ข้าพเจ้าไร้กเล่ามาแล้วว่าวิชาพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์เราสามารถที่จะศึกษาจากข้อเท็จจริงต่างๆได้เราสามารถจะทาให้เขาเชื่อและปฏิบัติตามได้ด้วยข้อพิสูจน์ต่างๆ ข้อสำคัญการสอนศาสนาในรูปนี้อย่ามัวแต่อ้างคำภีหรืออ้างเรื่องราวต่างๆในสมัยครั้งพุท ธ, ธกาลที่คนในสมัยปัจจุบันพิสูจน์หรือทดสอบไม่ได้และอย่าเอาประเพณีหรือข้อบังคับในทางศาสนาต่างๆไปยัดเยียดให้กับเขาโดยที่เขายังไม่สมัครจะทำเช่นนั้นข้อสำคัญมีอย่างเดียวคือจะต้องพยายามที่จะหาข้อพิสูจน์ที่จะทาให้เขาเกิดความเข้าใจ และเชื่อถือด้วยตัวของเขาเองวิธีนี้จะสามารถคลี่คลายความเบื่อหน่ายต่อการศึกษาศาสนาซึ่งคนในสมัยนี้มักจะมีกันมากจงเข้าใจว่าการที่จะนำพระพุทธศาสนามาพัฒนาบ้านเมืองเพื่อให้ประชาชนมีการอยู่ดีกินดีและอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีความสามัคคีพรองดองกิดช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่คิดเอาเปรียบกันนั้นมีหลักตายตัวอยู่ว่าจะต้องให้คนที่เป็นตัวจากสำคัญในการสร้างความเจริญให้กับบ้านเมืองนั้นมีความรู้ทางศาสนาจริงๆและต้องให้ได้รับผลสามประการจากการปฏิบัติในทางสมาธิและวิปัสสนาดังที่ได้กล่าวมาแล้วด้วยแต่ก็ไม่จำเป็นต้องมีทุกคนเพียงแต่ว่าในวงงานหนึ่งควรจะมีคนที่รู้ศาสนาจริงๆอย่างน้อยก็สักคนหรือสองคน ซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้คนทั้งหลายเห็นว่าคนที่มีศาสนาอยู่ในหัวใจนั้นมีความแตกต่างกับคนอื่นซึ่งอยู่ในอาชีพเดียวกันแต่ยังไม่เข้าใจในเรื่องศาสนานั้นอย่างไรและคนที่มีความรู้ในทางศาสนานี้จะต้องสามารถช่วยให้คนที่ร่วมอาชีพเดียวกันมีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญมีความก้าวหน้าในการงานและจะต้องพยายามชี้ให้เขาเห็นว่า พระพุทธศาสนาสามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้แก่เขาได้อย่างไรบ้างซึ่งถ้าเว้นจากพุทธศาสนาแล้วเขาจะแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตของเขาไม่ได้ฉะนั้นปัญหาสำคัญจึงมีอยู่ว่าทำอย่างไรจึงจะช่วยให้บุคคลที่เป็นตัวจากสำคัญของสังคมหรือเป็นตัวจากสำคัญในวงงานต่างๆได้มีความรู้ทางศาสนาจริงๆ และนำพระพุทธศาสนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริงๆวิธีการที่จะนำพระพุทธศาสนามาพัฒนาบ้านเมืองในทางราชการมีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งมีมานานแล้วคือการยอมอนุญาตให้ข้าราชการไปบวชได้ประมาณสามเดือนส่วนผู้ที่ไม่ใช่ข้าราชการก็มีประเพณีว่าเมื่อถึงอายุอันสมควรก็ควรจะได้บวช เพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่และเพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้ในทางศาสนาวิธีการอันนี้ในสมัยก่อนรู้สึกว่าได้ผลดีแต่มาในสมัยปัจจุบันซึ่งความเจริญในทางโลกก้าวหน้าไปมากแต่ความเจริญภายในยวัดก้าวไม่ทันเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้มีโอกาสไปบวชลับศึกออกมานั้นจึงรู้สึกว่าน้อยคนมากที่จะได้รับผลคุ้มค่าที่อุสาสละเวลาไปบวช และก็มีอยู่ไม่น้อยที่บางคนเมื่อก่อนบวชมีศรัทธาต่อศาสนาดีแต่พอสึกออกมาแล้วกลับไม่มีศรัทธาต่อศาสนาเพราะฉะนั้นจึงน่าจะต้องมีวิธีการอย่างใหม่ที่จะให้คนสมัยปัจจุบันเข้าถึงศาสนาได้จริงๆ